ลักษณะที่เขาว่ายากมันเขาไม่ได้ยากไปตามตามกระบวนการที่กล่าวไว้อย่างนี้อะไรยากยังไงเขามันมันยากเพราะว่ามันมันลึกลับอ่ะคือว่าพิจารณากันไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะก็ยังไม่มันไม่ได้มาตามนี้ครับก็ตอนนี้กำลังบาเพ็ญอุเบกขาบารมีบางส่วนอยู่ว่าเราก็มาด้วยกรรมเป็นของเรานะ มีกรรมเป็นของของตนจริงๆเนี่ยนะเคยเคย อ, อย่างว่านะว่าพระพุทธเจ้าสอนสาศาสนาเราเพื่ออะไรนะก่อนก่อนที่ถ้าถ้าเป็นเหตุผลพื้นฐานธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะก็เอาเหตุผลธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเพื่ออะไรแล้วก็คิดดูใช่ไหมถ้าถ้าเอาตามที่พรมมาราชนายพ อ, องบอกว่าอู้ธรรมะเนี่ยเป็นของลึกซึ้งนะการที่จะรอบรู้พวกนี้พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยก็เป็น ของยากไอ้ที่จะรู้ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอสังคตะก็เป็นของลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการที่จะให้หมูสาตทั้งหลายเนี่ยยอมรับตามเป็นจริงซึ่งสภาวะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยโดยความเป็นเหตุเป็นผลปฏิเสธสุภาพปฏิเสธนิจจปฏิเสธสุขะปฏิเสธอาตตะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารธรรมที่เป็นไปพร้อมกับปัจจัยเนี่ยนะเชื่อมโยงในการสามเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ยากานะที่จะให้เขามาคิดตามในแนวนี้ก็ยากอย่างหนึ่งแล้ว นิสรณะณสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้เลยก็เป็นของของยากพาะะน้นอยา ก, ก น, นั้นเลยเราก็ไม่ควรสอนถ้าถ้าสอนนะักเขาไม่รู้เรื่องว่าเหนื่อยเราเปล่าพรหมก็บอกว่าคนที่พอรู้เรื่องเนี่ยพอมีอยู่นะอ น, นะถ้าเขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังทำเข้าจากเสื่อมองก็เลยสอนบอกว่าอ่ะผู้มีโสดเงียโสดลงเถิดอ น, นะประตูอมะตะเราเปิดแก่ท่านแล้วพันวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนั้นคือประตูแห่งอมะตะเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าถ้าเร า, เามีสัตทินซีที่จะเจริญตามก็บรุได้นะคือเราเชื่อไหมว่าเราเนี่ยบรรลุได้แนตะ่แต่ถ้าไม่เชื่อโอ้ยยังไงก็ไม่ได้บรรลุนะเพราะมันอยู่ที่ไม่มีศรัทธาก่อนนะนะเพราะว่าไอ้ที่บรรลุได้มันต้องอินสี่ห้าใช่ศรัทธา ถ้าเรามีสัจทินรีย์ว่าเนี่ยนะเราต้องทําปริญญาในทุกได้แน่ละสมุทัยได้จริงทํานิโรธให้แจ้งได้มักทําไมเราจะเจริญไม่ได้คนอื่นเขาก็ยังเจริญได้ทําไมเราจเจริญไม่ได้ก็เรามีศรัทธานะเราก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเลที่เหลือก็วิริยะสติสมาธิและปัญญาอีกอินทรีห้าประชุมกันเมื่อไหร่ที่สุดแห่งทุกเราก็ทําให้แจ้งได้แต่ที่นี้ว่าเนื่องจากว่ากฎเกณฑ์ที่ตั้งกันเนี่ยนะ ยุคสมัยใหม่ตั้งกฎเกณฑ์ซะจนทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์แนวทางที่ทางอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับคำสอนเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ที่ที่ผู้สอนสมัยใหม่ผู้สอนสมัยใหม่นั้นตั้งไว้ห่างกับคําสอนมากขึ้นมากขึ้นไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทหนักๆเข้าไม่ได้ศึกษาแม้กระทั่งคําสอนเนี่ยนะ ก็ก็ควรที่จะสังเวทที่สำคัญเนี่ยนะว่าเจริญกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยตั้งความปรารถนาเพื่อจะทำกิจอันนี้ มากน้อยเพียงใดเนี่ยนะดูดูตอนอธิษฐานดูซิว่ามันมันหนักแน่นไหมยังไงก็เปลี่ยนโครงการอันนี้ไม่ได้หรอกนะคือคือคื อ, คอมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นจริงจริงไหมอย่างครั้งก่อนที่ถามว่าเราเชื่อมั่นไหมว่าเราปิดอบายได้แล้วเนะีนะ่ยนะบอกไม่เชื่อก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าหมดเรายังเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้า หรือเราไม่สามารถมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าเราเลยบอกว่าคติของเรายังไม่แน่เราไม่สามารถคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ได้มากอันนั้นประกาศถึงสัตทินสีเราอ่อนกำลังใช่ไหมอริยสัตว์ก็เหมือนกันถ้าเราจะบรรลุได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าความมุ่งมั่นที่จะทำกิจในอริยสัตว์ของเรานั้นมีมีขนาดไหน ปณิธานอันนี้มันแน่วแน่ขนาดไหนะนะอัะตตาสัมมาปณิที่ตรงนี้มากเพียงใดพอไหมที่จะบรรลุอันนะเข า, ายังคิดอย่างนี้เลยว่าก็เข้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเขายังทําได้ถ้าเราปรารถนาสักมรรคสองมรรคทาไมจะทําไม่ได้แต่ที่สําคัญก็คือไม่เคยคิดจะทํานี่สิทั้งทั้งหมดที่ว่าเนี่ยนะก็คือไม่เคยคิดจะบรรลุสักเท่าไรหรอกก็เขาว่าบรรลุเออดี บรรลุอะไรบรรลุยังไงบรรลุแค่ไหนที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าสนใจเท่ากับตารางท่องเที่ยวหน่อยนะโอ้ได้ดีแน่คือคือตอบคาตอบได้ชัดเจนเท่ากับตารางไปเที่ยวนะมาเชื่อว่าบรรลุแน่นอนเลยเ ช, ชื่อจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้พูดกล่อมกลอมหลอกๆอกด้วยนะเชื่อจริงจสนิทใจด้วยว่ามีสศรัทธาขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแค่นั้นเอง มีศรัทธาที่เรียกว่าเรียนอริยศาสตร์มาแล้วเนี่ยนะเห็นใครเดินมาก็ชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสุปายาสาพิทุกขาอัตเยหีสัมปโยโคทุกโคนะชาติเจนทั้งหมดนั้นก็ขันห้าเดินได้อายตนะขยับตัวได้นะธาตุประชุมกันเท่านั้นแหละถ้าใครเพลิดเพลินในสิ่งนั้นก็คือเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นไม่พ้นจากทุกนะเพราะเสศภาพเหล่านั้นมันเป็นทุกเพราะไม่เที่ยงนะเป็นต้นนะ คิดอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่สักสามปีดูสิจะเป็นยังไงคิดเลยหรือว่าจะไม่เบื่อหน่ายในขันเหล่านี้เลยโอ้ยเบื่ออยู่แล้วเนาะก็เราลองคิดเราไม่ทำใจแค่ไม่ชอบอะไรสักแค่ชั่วโมงเดียวนะเราพานเกลียดสิ่งนั้นไปเลยอะ่ะเอานะถ้าถ้าเราเราลองฝึกดูนะมันไม่ดีไม่เอาไม่ดีไม่เอ า, เ, อ า, เ, อาเพราะอย่างนี้สักสิบชั่วโมงเนี่ยคิดว่าจะรังเกียดสิ่งนั้นไปเลยไหมรังเกียดเลยไหมจ่ามินิต น่าจะเป็นไปได้นะก็ก็อย่างอย่างนักเลงทั้งหลายที่เขาทะเลาะกันเนี่ยนะจริงๆไอ้ฝ่ายหนึ่งมันไม่น่าทะเลาะอะไรหรอกแต่ว่ามันคิดหาเรื่องอะคิดจนได้เรื่องจริงๆเลยอะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราแน่ใจในกุศลวิตตกว่าถ้าสัมมาสังกปะที่บริบูรณ์ยังลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดใช่ไหมถ้าเรามั่นใจหนึ่งในในสัเช่นยกตัวอย่างว่าสัมมาสังกปะ ถ้าเรามีศรัทธาว่าสามัสามมาสังกปะที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วมีอมาตะเป็นที่สุดยังลงสู่อมาตะเป็นที่สุดเนี่ยนะสัมมาอื่นๆก็เกินกันองค์มรรคอื่นๆก็เหมือนกันถ้าถ้าเรามีศรัทธาถึงเพียงนั้นทีนี้ทุก ทุกขาริยศาสตร์เนี่ยนะที่ที่เราถ้ามีความมั่นใจมีความแน่ใจว่าเราจะต้องทําปริญญาแน่นอนว่าเนี่ยนะยาตะปริญญาที่เราจะต้องเอามาทำเนี่ยคืออะไรบ้างพูดตามสัมนวนพระสูตรนะเรื่องความเกิดเราต้องเอามาทําปริญญานะชาติปีทุกข์เราต้องเอามาทําปริญญาใช่ชราปีทุกข์เราต้องเอามาทําปริญญามรณะปีทุกขังความตายก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาทําปริญญา ตัวโซกะปฏิเทวทุกขโทมนัตอุปายาตก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาทำปริญญาเนี่ยนะประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดพลาจากของรักหรือไม่สมปรารถนาเราก็ต้องเอามาทำปริญญาขันห้าเราก็เอามาทำปริญญาถ้าเป็นสูตรบางแห่งเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าอายตนะภายในหคือตัวทุกข์่นะจะบางแห่งบอกว่าขันหคือตัวทุกใช่ห บางแห่งบอกว่าอายตนะภายในหกเป็นตัวทุกข์นะนะฉะั้ น, น, น, นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์หละนะนะมีใ น, ในในพระสูตรบางสูตรเนี่ยนะยกอายตนะแทนไม่ยกขั น, ใ น, นอใช้คําว่าอายตนะภายในเนี่ยเป็นตัวทุกข์ที่สนใจคํานี้เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาพิจารณาหลายแห่งพิจารณานอกตัวสมุด เพราะฉะนั้นพอพูดคํานี้ก็จะเข้าเรื่องเลยครับคือว่าเป็นเรื่องเข้ามาในตัวเลยเนียถ้าผมยังอยากรู้ว่าเอออยู่ตรงนั้น<อ>ว่าอายตนะภายนอกเนี่ยท่านให้วความสาคัญแต่ว่าน้อยกว่าภายในคือท่านบอกว่าอายตนะภายในเนี่ยนะมันเหมือนบ้านเหมือนเรือนเหมือนบุตรเหมือนภริยาเนะ่ยอายตนะภายนอกเหมือนกับที่นาที่สวนที่อื่นอื่นน่ะนะ ท่านให้ความสําคัญน้อยกว่าภายใน อ, อพระพุู้มีพระภาคเจ้าทรงกําหนดรู้ทุกและไล่นาที่ดินทั้งปวงนะ อ, อ, อันนี้เนี่ยก็จะตรงอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะในอัตถิาถฐาบอกว่าที่กำหนดรู้ไล่นาที่ทั้งปวงเป็นเรื่องของปัจจัยเป็นว่ า, างั้นเธ อ, อ, อต้องโดยโดยสภาวะแต่ที่จริงนะถ้าผู้ใดกําหนดรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยยังไงเขาต้องกําหนดรู้ไร่านาที่ดินและสวนอยู่แล้ว ถ้าถ้ากล่าวตามสภาวะเนี่ยนะเพราะถ้าเรามีตาเอาตาไปดูอะไรอ่ะถ้าชีพทำไร่ไถนาก็ไปดูนาดูสวนนั่นแหละเนี่ยนะถ้าค้าที่ดินก็ต้องไปดูที่ดินนั่นแหละเนี่ยนะก็เอาตาหูจมูกเล่นกายใจไปเกี่ยวกับดินนั่นแหละถ้าเกี่ยวกับบ้านก็ไปดูบ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดอายตนะภายในยก็เท่ากับกำหนดอายตนะภายนอกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าความเพลดิดเพลินในอายตนะภายนอกเป็นเหตุสร้าง อายตนะภายในเนี่ยนะเพลิดเพลิน <im itation> ในอายตนะภายนอกใช่ไหมเป็นตัวสร้างอายตนะภายในมันถ้ากําหนดรู้อายตนะภายในจริงเท่ากับกําหนดรู้อายตนะภายนอกถ้ากําหนดรู้อายตนะภายนอกจริงอายตนะภายในก็ชื่อว่ากําหนดรู้อยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์การโยงกันโดยความเป็นเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะซึ่งมันจะเกิดกว่าไปรู้อันใดอันหนึ่งโดยส่วนเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่าให้ความสําคัญกับ อะไรมากกว่ากันสนใจอะไรมากกว่ากันคงมาดูทบทวนในชั้นรายละเอียดเลยนะว่าโดยหัวข้อกองทุกข์ทั้งหลายเราก็กล่าวมาค่อนข้างมากแล้วนี่มาดูหน้า23มเลยนะมาเรียนนิเทศเท่าที่ผ่านมาเรียนอุเทศเรียนหัวข้อซะส่วนใหญ่นี่มาลรงรายละเอียด เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำปริญญาก็คือเอาชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตนั่นแหละมาทำปริญญาบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำเนกสัจจะสี่มีทุกเป็นต้นที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงโดยย่อจึงเริ่มนิเทศวาระนี้ว่าตถากมังทุขังอริยสัจจังชาติพิทุขาชราพิทุขามรณมพิทุขัขงเป็นต้นนั่นเอง ในอริยสัตสีนั้นทุกขาริยสัจเป็นไฉนแม้ชาติก็เป็นทุกข์ดังนี้นะแม้ชราก็เป็นทุกข์แ ม, ม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตก็เป็นทุกข์ซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นเป็นทุกข์ถ้าหากว่าทุกข์เหล่านั้นจะมาจําแนกแล้วเนี่ยนะชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตพลัดพรากจากของรัก ประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความปรารถนาแล้วไม่สมหวังโดยย่อสิ่งนั้นก็คือขันห้าตรงนี้นะถ้าคิดอีกในเนี่ยสำหรับผู้ที่ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์นะสิ่งแรกที่เขาควรรู้คือตัวความทุกข์ที่เขาอยากจะพ้นใช่ไหมถ้าเขาอยากพ้นสิ่งใดเขาควรรู้ใช่ไหมว่าทาไมเขาจึงอยากอยากจะพ้นสิ่งนั้น ชั้นใดก็ดีผู้ที่อยู่ในวัตฏะทั้งหลายเห็นภายในวัตตะเนี่ยวัตฏะมันคืออะไรวัฏฏะก็คือเนี่ยชาติชา а, รามรณะโสกปริเทวะซึ่งนับเป็นตัวตัวอะไรตัวผลใช่ไหมตัวผลหรือตัวทุกเหล่านี้มาจากเหตุเพราะฉะนั้นมาวิเคราะห์แยกแยะผลให้มันเข้าใจชัดเจนจะได้สาวไปหาเหตุในที่สุดก็ตัดเหตุซะเนี่ยนะทั้ง12หัวข้อเนี่ยนะก็เป็นมาติกา แต่ถ้าใช้ศัพท์คําว่าทุกเนี่ยนะเช่นสัพท์ว่าทุกเฉยๆเนี่ยทุกมีหลายอย่างเรียกว่ามีเป็นอเนกอเนกะไม่ใช่หนึ่งนะนะเอกะอเนกะก็คือไม่ใช่หนึ่งแปลว่าเกินหนึ่งเรียกว่าอเนกเช่นทุกขทุกวิปริณามทุกสังขารทุกปฏิจชานะทุกอปติจจานะทุกปริยัตทุกข์นิปริยัตทุกข์ถ้าแบ่งเป็นชุดได้3ชุดด้วยกันชุดแรกนะทุกขทุก วิปริณามะทุกสังขาระทุกทุก3มอย่างนี้อ่าก็เป็นอีกชุดหนึ่งชุดที่2ก็ปฏิจจันททุกกับอปฏิจจันทุกชุดที่3ก็ปริยัตทุกกับนิปริยัตทุกทุกกระทุกก็คืออ่าทุกกทุกวิปริณามะทุกสังขาระทุกเนี่ยนะเขาเรียกว่าทุกขตาสาบางแห่งใช้คำว่าเนี่ยคือทุกขตาสความเป็นทุกข์สาประเภท อันนทุกกระทุกก็คือทุกข้อนเจ็บปวดจริงๆแหละนั่นแเจ็บกายเจ็บใจจริงแหละอันนั้นเรียกเลยเรียกว่าทุกกทุกวิปริณามาทุกก็เพราะว่าความความเปลี่ยนแปลงอันนัสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นก็นับว่าเป็นทุกส่วนสังขาราทุกก็คือทุกเพราะไม่เที่ยงนั่นเองความทุกขของสังขารก็คือเพราะมันไม่เที่ยงอันนัส่วนปิติชนะทุกทุกปกปิดอปิติชนะทุกก็ทุก เปิดเผยไม่ปกปิดปริยายทุกก็คือทุกโดยอ้อมนี้ปริยายทุกก็ทุกโดยตรงอธิบายเพิ่มเติมว่าทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายและจิตชื่อว่าทุกกะทุกเพราะเป็นทุกทั้งโดยสภาวะแล้วโดยชื่อตัวมันเองก็ทุกนะชื่อมันก็เป็นเป็นทุกเนี่ยนะเป็นตุกขนาดเลยนีุกไมยมนงมาเกิุกนะทุกขนาดเลยนะทุกกายทุกใจเหกัน บมือนอกมือนใจเลยนะตุกขนาดเลยอะปวดหัวอย่างเงมันไม่ตุกยยได้ไงนะเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับเครียดย่างไงนะตุกขนาดเลยอันนี้แหละเรียกว่าชื่อมันก็ทุกนะนะสภาวะมันก็เป็นทุกทุกไปหมดเลยส่วนสุขเวทนาชื่อว่าวิปรินามะทุกเพราะเหตุเพราะเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกโดยการเปลี่ยนแปลง ความสุขเที่ยงไหมเนี่ยนะถ้าความสุขเหล่านั้นหมดไปอะไรจะเกิดขึ้น น, น, นะนะก็เห็นชัดเลยใช่ไหมอย่างสมมุติว่าคนที่มีแต่ความสุขมาส่วนเดียวเนี่ยนะถ้าความสุขเหล่านั้นหมดไปนะอะไรจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นนะเขาจะทุกข์ขนาดไหนอย่างเรียกว่าคนอยู่ดีมีสุขเขามีสมัยหนึ่งคอมเมนเนี่ยคอมเ ม, มันมีหลายฝ่ายใช่ไหมทีนี้ไอ้คอมเที่มันก่อขบถคอมเมนตเนี่ยเนื่องจากมันหมันไส้คอมเชาวเมือง คอมเมนต์ชาวเมืองเนี่ยอยู่ดีมีสุขมันเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนเหมือนกันนะนะไอ้คอมเมนต์พวกหนึ่งมัเลยไม่ชอบขี้หน้าเอามากๆเลยมันก็ปฏิวัติโค่นคอมเมนต์แล้วเอาคอมเมนต์ชาวเมืองไปทํานาเอาไปปรับเอาไปทํานาเลยนะโอ้โหเดือดร้อนขนาดเลยนะตายกันเป็นเบอือเลยนะเคยตากแดดที่ไหนชาวเมืองกนะันไปเจอไทนาถอนกล้าเข้าไปเนี่ยโอ้ยตุกทั้งตายตุกทั้งใจเลยแหละท่ายเยอะเนี่ยนะ ก็เพราะว่านั่นแหละท่านผู้ที่ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเนี่ยนะชื่อก็เป็นทุกข์สภาวะของมันก็เป็นเป็นทุกข์เรียกว่าทุกข์กับทุกข์หรือผู้ที่ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างสุขภาพดีๆกันเนี่ยถ้าส่วนนั้นนั้นมันมีปัญหาบกพร่องไปเนี่ยนะมีหัวนี่หัวมันก็หนักนะหนักนะปวดหัวถ้ามีแขนนะเคยยกแขนไม่ขึ้นไหมนั่นแหะแขนมันก็จะยกไม่ขึ้นนั่งก็จะไม่ไว นนะร่างกายมันก็ส่วนเซไปหมดตาก็พร่าไปหมดเนี่ยนะอาหารชิมอะไรเข้าไปก็ไม่อร่อยเลย <No. S 1> เดือดร้อนไปหมดะนะทุกอันนี้ร่างกายนะแล้วจิตใจอีกแหละโ้ปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามาเนี่ยนะบางคนเนี่ยในะบางคนบางกรณีเนี่ยนะเรียกว่าเกลือนไม่ได้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเลยนะเครียด mm. เพราะว่าอย่างเช่นเขาจะมายึดบ้านภายในสามวันอย่างเงี้ยนะ ทุกหรือเปล่าเนี่ยนะกินอิ่มนอนหลับหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะส่วนสุขเวทนาที่ที่ผู้ใดหมดไปเนี่ยนะถ้าเคยคนที่เคยแต่มีความสุขแล้วก็รู้ว่าความสุขเหล่านั้นนั้นหมดไปเนี่ยโอ้ก็นับว่าทุกข์มากๆเลยแหละส่วนอุเบกขาเ ว, เวทนาและสังขารที่เหลือในภูมิสามชื่อว่าสังขารทุกข์เพราะถูกความเกิดความดับบีบคั้น เรว่าบีบคั้นด้วยความเกิดความดับก็พานแม้แต่มรรคผลก็นับว่าเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะไม่เที่ยงคือถ้าผู้ที่เรียนพระพิธรรมมาเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะจำแนกส่วนนี้ได้ดีคือสภาวะธรรมเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยก็ได้แก่อะไรจิตมี89ถ้าว่าโดยโย่อๆเจตสิกรูป ยี่สิบแปดแล้วก็นิพพานอีกหนึ่งนะทีนี้ในจิตแปดสิบเก้าเนี่ยนะมันมีอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าทุกขะกายวิญญาณหนึ่งหนึ่งในแปดสิบเก้า น, นั่นนะแล้วก็มีเจตสิกที่ประกอบมีเจ็ดดวงคือผัสสะเวทนาสัญญา เจตนาเอกักขตาชีวิตดินซีมณสิการก็เจ็ดตัวที่เกิดร่วมกับทุกขากายยะวิญญาณแล้วก็อาศัยรูปที่เป็นโธพธะะอนิถารมอัโพธะะอนิถารม เป็นวัตถุที่อาศัยเกิดของทุกขากายย่ิญยาณใช่ไหมทั้งโดยวัตถุ ก, กับโดยอารมณ์อันนี้ก็นับว่าสภาวะอันนี้ก็เป็นทุกข์กละลั่นเตัวโพธิภาในฐานะเป็นอารมณ์ของทุกขก์อันนี้ทุกกายนะอันนี้ทุกทางกายส่วนทุกใจเนี่ยแบ่งเป็นสองดวงเออ โทสะมูลจิตสองเป็นเป็นทุกทางทางใจใช่หัหยเจตสิกที่ประกอบเท่าไหร่นะเจตสิกที่ประกอบก็แบ่งเป็นอัญญสมนาเจตคิดอย่างนี้ดีกว่าสัพพจิตตสาธารณาเจตสิกเจปกิ น, นกะเวนปีติเพราะปีติจะไม่มีเกิดร่วมกับทุกเพราะฉะนั้นปกิ น, นกะจึงมีห้านะ โมจตุกะ4โทจตุกะอีก4ทีจตุกะอีก2เท่ากับเจตสิกเท่าไหร่2ีบเ น, นโดยจิตเนี่ยมี2โดยเจตสิกยี 22. โทสะเหล่านี้เกิดขึ้นในอารมณ์ก็บางทีอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็โกรธเหมือนกันใช่หเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ไม่ค่อยเกี่ยง อันนี้เรียกว่าทุกข์ใจนนจิตนั้นตกลงเอาออกไปเท่าไหร่ละแปดสิบว่าออก3เหลือ86ใช่ไหมเจตสิกนี่ถ้าถ้าเรียนมาดีๆเนี่ยนะ เจตสิกนี่ที่เรียกว่า5้าสิเรียกตามสภาวะแต่ถ้าเรียกตามรวมๆเลยนะต้องเรียกว่าภาษาแปดสิบเเวทนาก็8ปดส้าสัญญาก็แปดสเ้าจตนาก็8ปดเ้าเพราะเกิดเท่ากับเท่ากับจิตนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าพูดมาก็เรียกว่าพูดโดยสภาวะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็ยกลงมาอีกห้าสิบสยสิบดแล้วก็นิพพาน อันนี้เนี่ยไม่เรียกว่าทุกขทุกข์ที่ที่ไม่เกี่ยวกับสามเลยนะที่ไม่เกี่ยวกับดังกล่าวไปแล้วนี้ไม่เรียกว่าเป็นทุกข์ทุก์แต่กลุ่มทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นเป็นกลุ่มทุกข์ทุกขทีนี้ส่วนวิปริณามทุก์นั้นคือสุขความสุขนะสุขเวทนาเนี่ยสุขถ้าสุขตัวนั้นถ้ากล่าวตามจิตเนี่ยนะถ้ากล่าวตามจิตเนี่ยจิตที่เป็นสุขมีทั้งหมดเท่าไหร่ สุขทั้งหมดเนี่ยนะสุขก็คือโสมนัสสุก ข, ขากายญาวิญญาณด้วยโสมนัสด้วยถ้าแบ่งมาตามจิตนะครแบ่งนี้นว่าโลภะโสมนัสสี่ดวงสุขากายญาวิญญาณหนึ่งดวงโสมนัสสันติรณะหนึ่งดวงเนี่ยนะโสมนัสหาสิตุ ป, ปาถจิตหนึ่งดวงกามาวจรโสภณนะโสมนัสอีก เท่านะมีอยู่แปดเหรอโสภณะใช่ไห ม, มกามกามโสภณะทั้งหมดมียี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่เอาออกสองเหลื อ, อคูหารสองก็สิบสองกา ม, กาม เ, าเฉพาะที่เป็นเนี่ยนะกามมาวาจรสโสภณะโสมนั ส, ส, สมีสิบสองแล้ว ปฐมฌานปฐมฌานกุศลวิบากกิริยาเลยนะ3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3จะตุตฌานอีก3แล้วก็ปฐมฌานอีกอ่าข้ออะไรโซดาปฏิมักอ่ะนะโซดามักสีอ่ะนะมักสีผลสีอันนี้ที่เรียกว่าแบบยอ่อเกิดร่วมกับสกหมดเลยเกิดร่วมกับสกหมดเลย ธรรมะที่พูดถึงเนี่ยไม่เน้นกล่าวโลกุตระธรรมอันธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกเพราะไม่เที่ยงทีนี้ก็เจตสิกก็เท่าจํานวนจิตที่กล่าวไปถ้ากล่าวจิตดวงใจเจตสิกก็เท่ากับแสดงหมดแล้วพวกนี้ก็เป็นทุกเพราะไม่เที่ยงคิ ด, ดง่าง่ายๆเช่นว่า โสมนัสอยู่ดีดด้วยอานาจโลภะนะแสดงว่าได้ใช่ไหมจึงโสมนัสใช่เขาบอกว่าเมื่อบุคคลเมื่อนรชนเนี่ยนะปรารถนาวัตถุกรรมอยู่วัตถุกรรมนั้นสำเร็จเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็ย่อมมีใจอิ่มเป็นแน่ใช่หัวเราะราเลยนะเรียกว่าอะไรที่ตัวเองได้เนี่ยชอบมากโสมนัสมากแต่ถ้าสิ่งที่ได้นั่นแหละมันเสื่อมไป เหมือนอะไรนะสั่งอาหารมานะดีใจมากเลยหิวเขายกมาให้ดีใจจะได้กินแล้วแล้มันคว่ำต่อหน้าต่อตาเลยนะตรงกันข้ามในอะไรเกิดขึ้นโทมนัสเกิดขึ้นทันทีเลยนะพรานก็โทมนัสมันก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเพราะนั้นก็บอกว่าถ้าความสุขเหล่านั้นหมดไปโทมนัสก็จะเข้ามาแทนนั้นความสุขทั้งมวลก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเนี่ยนะก็เลยความสุขนั้นเป็นวิปริณามะ เว้นสุขเว้นทุกษ์เสียที่เหลือทั้งหมดเป็นสังขารทุกข์นะเว้นออกไปดังกล่าวไปแล้วเนี่ยชื่อว่าสังขารทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเว้นออกไปดังกล่าวไปแล้วเนี่ยเว้นอที่พูดออกไปแล้วนั่นเป็นสังขารทุกข์เพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นยาานิจังตังทุกขังอะไรก็ตามที่มันไม่เที่ยงนะทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง นี่ก็เอาตัวเลขมาพูดบ้างนะเพื่อนะักอภิธรรมจะได้ไม่ลืมแต่เพราะวิชาที่เราเรียนเนี่ยห้องเรียนเราเนี่ยนะเขาเรียกห้องเรียนอภิธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วเราเรียนพระสูตรว่าอภิธรรมบ้างจะได้รักษาห้องเราไว้ ถ้าส่วนตรงนี้นะถ้าใครระลึกถึงเวทนานุปัสนาไว้ดีๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาใชนะ่ทุกทุกสามอย่างเนี่ยนะเพราะว่าทุกขเวทนาเป็นทุกขทุกสุขเวทนาเป็นวิเป็นวิปริณามทุกอุเบกขาเวทนาเป็นสังขารทุกเนี่ยนะทั้งก็ผู้ที่เจริญเวทนานุปาาัสนาบ่อยๆนี่ก็จะเห็นสภาพอันนี้ที่ชัดเจน แล้วก็ทุกข์กับทุกเนี่ยมันก็เสียดแทงจริงๆนะนะคำว่าทนยากแปลว่าไม่เหมือนสุขใช่ไหมสุขมันต้องอดทนไหมใครที่ได้รับความสุขต้องอดทนไหมไม่จะไม่จําเป็นใช่ไหมแต่ถ้าใครได้รับความทุกข์นะอันนั้นทนยากจริงๆนะอดทนได้ยากมากๆเลยทั้งทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหมมันก็เลยเรียกว่าทุกข์เพราะทนยากเราอดทนลําบากมากๆเลยก็ ปวดโดยที่อะไรนะสมมติเราปวดเข่าโดยที่ตัวไม่สั่นเล็กเลยเนี่ยทำง่ายไหมนั่นก็ยากะนะถ้ายิ่งไม่ให้มันทุกข์ใจตามด้วยนะโอ้นี่ยากมากๆแต่ถ้าเป็นวิปริณามาทุกเนี่ยมันก็เพราะมันไม่เที่ยงนะนะความความสุขเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงมันชั่วคราวะนะ